อนาปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1,213 1. พิกษณีใช้ให้บีบหรือนวดเพราะอาพาธเป็นเหตุ 2. ภิพิชณีผู้มีเหตุขัดข้อง 3. ภิพิชณีวิกลจริต 4. ภิพิชณีต้นบรรยัตสิกขาบทที่8ที่9ที่10จบ